คุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านคะเรื่องที่บีจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังต่อไปนี้คุณผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณใช้ดุลยะพินิษ์นะคะในการฟังนะคะแล้วก็ลองคิดทบทวนค่ครวญถึงเหตุของความเป็นจริงนะคะเป็นเรื่องราวจากทางด้านของพ่อแม่ครูอาจารย์ก็คือหลวงปู่ดู่วัดสแก่ที่จังหวัดอยุธยาคะ่ะ เป็นเรื่องของการที่เกิดเหตุการณ์ยมมาทูตเนี่ยมารับวิญญาณแต่ว่าหลวงปู่ดู่ได้ช่วยไว้ทันนำกลับเข้าร่างเด็กหนุ่มโดนรถชนกลับฟื้นขึ้นอย่างอัศจรรย์ไปทำบุญที่วัดถึงรู้ว่าท่านเป็นใครซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2548 หลวงปู่ดู่เนี่ยท่านเองก็ได้มรณภาพไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้เห็นถึงความเมตตาของครูบาอาจารย์รวมทั้งยังยืนยันว่าท่านสามารถช่วยเหลือลูกศิษย์ได้แม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามค่ะน่าเสียดายที่ไม่อาจติดตามสอบถามชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ถึงกระนั้นก็ยังอยากจะนํามาเรียบเรียงบันทึกเสียงไว้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นที่ลูกศิษย์ของท่านคนนึง ของหลวงปู่ดู่นี่แหละขับรถยนต์ไปชนกันกันกบเด็กหนุ่มผู้หนึง่งจนบาดเจ็บอาการสาหัสมากเป็นตายเท่ากันลูกศิษย์คนนี้นี่กลุ่มใจค่ะเพราะว่าเกิดมาไม่ประสงค์จะทำบาปทำกรรมกับใครอีกทั้งไม่อยากจะมีบาปกรรมอันเกิดจากปานาติปาดนะคะเขาก็เลยมาบนหลวงปู่ดู่ที่วัดสแกร่ร้องของให้ท่านนี่ช่วยเหลือให้เด็กหนุ่มผู้นี้เนี่ยอย่าให้ถึงข่านต้องเสียชีวิตเลยเด็กหนุ่มคนนั้น ครั้งแรกเนี่ยก็เข้ารักการรักษาที่ห้อง i อ u ียของโรงพยาบาลในอายุทยาค่ะแต่ว่าเมื่อหมอเอาไม่อยู่ก็เลยถูกส่งเข้ารักษาต่อในโรงพยาบาลที่กรุงเทพซึ่งภายหลังอยู่ๆอาการกลับฟื้นดีขึ้นอย่างอัศจรรย์แล้วก็ได้โอกาสตามเพื่อนมาทําบุญที่วัดสแกโดยที่ไม่รู้จักกับหลวงปู่มาก่อนนะคะเด็กหนุ่มคนนี้มาทาบุญถวายสังฆทานที่กุฏิพระสายหยุด ครั้งนั้นเนี่ยเมื่อท่านได้ฟังเรื่องราวของชายผู้นี้แล้วก็เลยสามารถปะติดประต่อแล้วก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้เป็นอย่างดีเพราะว่าท่านเองก็ได้ยินเรื่องราวทางฝั่งลูกศิษย์ของหลวงปู่ผู้ที่เป็นคนขับรถยนต์ชนเด็กหนุ่มผู้นี้มาก่อนหน้านี้แล้วเด็กหนุ่มคนนี้เมื่อถาวายสังฆทานเสร็จค่ะก็เหลือบเห็นรูปหลวงปูด่ดูที่ผนังกุฏิของพระอาจารย์สายหยุดเขาก็ตกใจตื่นเต้นอุทานว่าหลวงปู่องค์นี้แหละที่ช่วยชีวิตเข้าไว้ หลวงปู่องค์นี้เป็นคนพาดวงวิญญาณของเขากลับเข้าร่างเขาก็เลยเล่าค่ะว่าภายหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพไม่นานเขาก็เสียชีวิตนะแต่ว่าขณะที่วิญญาณของเขาออกจากร่างมาเนี่ยก็มีชายหนุ่มนุ่งโจงกระเบนด้วยผ้าสีแดงจะมาเอาตัวเขาไปแต่ว่าทันใดนั้นค่ะก็มีหลวงปู่องค์หนึ่งมาขวางไว้หลวงปู่ถามเขาว่ารู้จักชายที่นุ่งจงกระเบนผู้นั้นไหมเขาก็ตอบว่าไม่รู้จัก แล้วก็บอกว่าหลวงปู่ช่วยด้วยหลวงปู่ก็ทำท่าโบกมือไล่ครั้งเดียวชายผู้นั้นก็หายไปทีนี้หลวงปู่ถามเขาอีกว่าไหนล่ะร่างแกเขาก็พยายามมองแต่ก็จําไม่ได้ว่าอยู่เตียงไหนหลวงปู่ก็เลยพาเขาไปดูที่เตียงเตียงหนึ่งแล้วถามน ะ, ะว่านั่นใช่แกไหมล่ะเขาเห็นแล้วก็จําได้ก็เลยกราบเรียนท่านว่าใช่ครับ จากนั้นก็พาเขาเข้ามายัางร่างที่นอนหมดลมอยู่บนเตียงหลังจากฟื้นขึ้นมาเขาก็อาการดีขึ้นตามลำดับแต่ทว่านะคะเขาต้องสูน์เสียขาไปข้างหนึ่งพอกลับมาบ้านค่ะก็มีเพื่อนเนี่ยพามาทำบุญที่วัดสแกก็เลยได้รู้ว่าที่แท้เนี่ยหลวงปู่องค์ที่ช่วยชีวิตของเขาไว้ก็คือหลวงปู่ดู่วัดสแก่นั่นเองนะคะ พระสายหยุดเล่าว่าเสียดายนะที่ไม่รู้รายละเอียดของเด็กหนุ่มผู้นั้นซึ่งก็ทราบเพียงคร่าวๆ ว, ว่าเขาเนี่ยเป็นคนอำเภอพาชีประกอบกับท่านก็ยังไม่ได้พบกับลูกศิษย์ของหลวงปู่ดู่ผู้ที่เป็นคนขับรถชนเด็กหนุ่มคนนั้นอีกแต่ก็แปลกนะคะที่เรื่องราวของทั้งสองฝ่ายนั้เนี่ยกลับมาเชื่อมต่อกันเป็นเรื่องเดียวกันที่กุฏิของท่านพระอาจารย์สายหยุดเล่าเรื่องนี้ด้วยความปลื้มปิติในพลังเมตตาบา ร, รมีของหลวงปู่ที่แม้ท่านจะ และสังขารไปแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังคงรับทราบแล้วก็ช่วยปัดเป่าความทุกข์ของบรรดาลูกศิษย์แล้วก็สัตว์โลกที่ประสบทุกข์ทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องยืนยันได้อย่างดีถึงบารมีของพระรัตนตรัยและโลกวิญญาณว่าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงค่ะเรายังคงอยู่ในเรื่องราวของหลวงปู่ดูเหมือนเดิมนะคะ เรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องของวิญญาณที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ดูพรมปัญโยวัดสแก่ตาบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ประสบการณ์ขณะท่านเองไปเดินทุดงแต่ก็เป็นเรื่องของวิญญาณบุคคลผู้หนึ่งซึ่งตายไปแล้วแต่ว่ายังคงวนเวียนคาบเกี่ยวระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณด้วยอานาจแห่งมหะคือยังหลงอยู่ในกิเลส ต, ตัณหาไม่รู้นะคะว่าตัวเองได้ตายไปแล้ว กล่าวก็คือมีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่อําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความปกติสุขค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวคนนึงไปธุระนอกบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็ล้มฟุบลงไปเหมือนคนหมดสติกระทันหันพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พากันตระหนกตกใจแล่ะค่ะรีบเข้าไปช่วยปรถมพยาบาลกันเป็นการด่วนเมื่อลูกสาวได้ฟื้นคืนสติกลับมีลักษณะท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมเหมือนเป็นคนละคนเลย แววตาคุณขวางน่ากลัวค่ะเวลาเอ่ยปากพูดอะไรออกมาเนี่ยน้ำเสียงก็แหบห้าวประหนึ่งว่าเป็นเสียงผู้ชายรวมทั้งถ่อยคําวาจาเหมือนเป็นคนอื่นมาพูดก็มีการเรียกเอาอาหารสดอาหารคาวมากินอย่างมู ม, มามคล้ายกับอดอยากปากแห้งหิวโหยมาอย่างช้านาน เมื่อพ่อแม่เห็นลูกสาวมีอากับกิริยาผันแปลเปลี่ยนไปอย่างกระทานหันอีกทั้งยังพูดด้วยความไม่พูดกันไม่รู้ความดุดเสียสตินะคะก็รู้แน่ละว่าน่าจะมีวิญญาณร้ายมาเข้าสิงก็เลยออกตระเวหาหมอผีผู้มีวิทยาอาคมขลังมาขับไล่วิญญาณที่เข้าสิงให้ออกไปเมื่อหมอผีมาถึงบ้านก็เริ่มทาพิธีไล่ผีด้วยกริตรยาคมผีที่เข้ามาสิงลูกสาวก็รีบถอน วิญญาณของตัวเองนี่ออกไปง่ายเนะะี่ยก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยโล่งใจคิดว่าเหตุร้ายคงจะหยุดเพียงเท่านี้ที่ไหนได้คุณผู้ฟังไม่กี่วันต่อมามันก็กลับมาอีกค่ะผีตนเดิมนี่แหละเข้าสิงลูกสาวอีก คราวนี้ถึงกับประกาศว่ามันเนี่ยคือวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งถูกยิงตายบริเวณหลังวัดใกล้ๆบ้านเมื่อลูกสาวเจ้าของบ้านรายนี้เนี่ยเดินผ่านไปมันก็เกิดความพึงพอใจรักใครอ่อยากได้ไปเป็นเมียตั้งใจเอาว่าจะเอาเป็นเมียให้ได้คราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องของหญิงสาวก็ตื่นตระหนกตกใจค่ะเพราะว่าถ้าผีตายโหงมาเข้าสิงถึงขั้นจะเอาลูกไปเป็นเมียเช่นนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าวิญญาณร้ายมีเจตนากระทําให้ถึงตายเป็นแน่ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็พยายามพูดจะอ้อนวอนกับวิญญาณผีตายหงที่สิงร่างลูกสาวบอกให้ละเว้นเจตนาซึ่งเป็นทุจริตคิดร้ายนี้ซะแต่ว่าวิญญาณของผีตายหงไม่สนใจใยดีค่ะยังคงยืนก ร, รานตามความประสงค์ของมันไม่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่ของหญิงสาวก็ต้องเที่ยวตระเวนหาหมอผีผู้ที่มีสายเวทอาคมขลังมาขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกไปจากร่างของลูกสาวทั่วทุกสารทิศ แต่ก็ไม่มีผู้ใดกระทำได้สำเร็จเด็ดขาดแม้แต่รายเดียวหมอผีบางคนนะมีวิชาอาคมที่ยังไม่แก่กล้าวิญญาณผีตายโหงเนี่ยก็ไม่ยํำเกรงค่ะจะเศษคาถาเศษน้ำมนต์สาดเข้าใส่ยังไงมันก็เฉยนยคะจนฝ่ายหมอผีนี่อายกทงเทายอมแพ้ไปเองถ้าหมอผีคนใดมีพลังวิชาอาคมเข้มขลังนะวิญญาณร้ายมันก็จะรีบถอยออกจากร่างทันที มันปรารถนาที่จะไปเป็นเมียเนี่ยคือมันก็จะยกเลิกไปก่อนทําทีคล้ายกับเกรงกลัวอานาจเหลือเกินแต่พอหมอผีหายไปสักพักมันจะย้อนกลับมาสิงใหม่ที่น่าประหลาดก็คือหญิงสาวจะมีพระเครื่องรังของขลังด้วยได้สายสินลงอาคมติดเต็มคอเต็มแขนเพื่อคุ้มครองป้องกันยังไงมันก็เข้าสิงจนได้นะคะหน้าเวทนาหญิงสาวเคราะร้ายรายนี้ค่ะที่วิญญาณร้าย จ, จับจอง หมายปองชนิดที่แบบไม่ยอมเลิกราทำให้เธอเนี่ยแทบจะเสียสติด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่ามันจะเข้าสิงอีกเมื่อไร่เวลาที่ถูกผีสิงหญิงสาวจะมีอาการเหมือนคนหมดสติไม่รู้สึกตัวว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างตราบกระทั่งวิญญาณผีได้หงออกไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นสติสัมปชัญญะจึงจะกลับคืนมาเป็นปกตินะคะเป็นเวลานา น, านถึงสามปีเต็มค่ะ ที่หญิงสาวคนนี้เนี่ยถูกวิญญาณผีร้ายเนี่ยเข้าสิงแบบไม่ขาดระยะเลยสภาพของเธอเนี่ยก็ไม่ได้ผิดแปลกไปจากคนที่ตกเป็นทาสของผีใต้หงซึ่งจะมารังแกรังควานเป็นพักๆชนิดแบบไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการไปแอบซ่อนอยู่ที่ใดวิญญาณร้ายก็จะติดตามไปเข้าสิงจนได้ จนกระทั่งหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายรายนี้นะคะมีอาการหวาดผวาไม่เป็นอันกินอันนอนร่างกายก็ผ่ายผอมสุดลงอย่างน่าใจหายและในภาวะหน้าพรั่นพรึงดังกล่าวได้กดดันบีบคั้นให้ครอบครัวนี้ค่ะได้เผชิญกับความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสโดยผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยก็เริ่มโกรธแค้นวิญญาณผีตายโหงที่ตามรังควานลูกสาวไม่ยอมเลิกถึงกับระเบิดโทสะออกมานะคะบอกว่า จะยิงผีร้ายให้แหลกกระจายคามือแทนที่วิญญาณซึ่งมาเข้าสิงลูกสาวจะหวาดหวั่นพรั่นพรึงมันกลับยเยอะเยะ้ยท้าทายให้ยิงได้เลยเพราะถ้ายิงมันก็เท่ากับยิงลูกสาวตัวเองจะกล้าทำหรือเปล่าล่ะ การที่วิญญาณผีแต้หงมาเข้าสิงหญิงสาวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานเช่นนี้โดยไม่มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาขัดขวางมันได้อาจจะเป็นเพราะวาวิบากกรรมของเธอผู้นี้กับวิญญาณของชายผู้ที่ถูกยิงตายมีกรรมพัวพันต่อกันค่ะและถึงวาระจะต้องชดใช้กันจึงไม่สามารถสกัดกั้นหรือหยุดยั้งทุกกรณีและหากไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ผ่อนคลายหลุดพ้นจากวิบากนี้ก็เชื่อแน่ค่ะว่าหญิงสาวคงต้องถึงแก่ความตายอย่างแน่นอน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเนื่องจากวิญ ญ, ญาณผีตายหงเพราะถูกผู้อื่นยิงสิ้นชีวิตเพราะกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไขวิ ญ, ญญาณก็เลยกลายเป็นผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปทางไหนประกอบกับจิตยังหลงมัวเมาอยู่ในกรมตัณหาซึ่งมีความมากาความอยากในกิเลสราคาอย่างรุนแรงจนไม่อาจจะแยกผิดชอบชั่วดีได้ไม่รู้นะคะว่าตนกับหญิงสาวเนี่ยอยู่กันคนละภพคนละภูมิมีอัตภาพที่แตกต่างกันไป ครั้นมีความปรารถนาในหญิงสาวที่ตนพึงพอใจจึงกระทําทุกวิถีทางจะครอบครองเป็นของตนแม้กระทั่งพยายามเบียดเบียนจะเอาชีวิตหญิงสาวคนนี้ให้ได้แต่วาสนากรรมดีของหญิงสาวผู้นี้ยังมีอยู่วิญญาณผีแต่โหงก็เลยทำลายล้างชีวิตของเธอไม่ได้นั่นเองค่ะ แล้วก็คล้ายดั่งเป็นวาระที่หญิงสาวจะหลุดพ้นจากเงื้อมเงาของวิญญาณร้ายได้มีคนรู้จักกับพ่อของหญิงสาวเนี่ยมาบอกว่าควรไปขอความเมตตาจากหลวงปู่ดู่พรมปัญโยที่วัดสแกนะประวัท่านเนี่ยเป็นพระเถระที่มีจิตตานุภาพสูงมากอาจจะช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ทรมานที่มาย่ํายีบีทาลูกสาวจากวิญญาณร้ายได้ผู้เป็นพ่อก็เลยตกลงในการเดินทางไปที่วัดสแกทันทีโดยไม่คิดอะไรเลยค่ะ วันที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยพาหญิงสาวซึ่งถูกวิญญาณร้ายของผีตายโหงสิงสู่อยู่ไปถึงวัดสแกหลวงปู่ดู่กำลังพูดคุยอยู่กับลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านพ่อหญิงสาวผู้เคราะหร้ายก็เลยเข้าไปกราบน้มัสการหลวงปู่ก็ทักทายปราศัยถามไปถามมาว่าอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่ชายผู้แบกทุกข์ เล่าเรื่องของลูกสาวตัวเองถวายนะคะบอกว่าที่มีวิญญาณผีตายหงตามรังควานลูกสาวให้ท่านฟังโดยละเอียดเลยลงท้ายด้วยการขอความเมตตาจากท่านช่วยกรุณาปเปื้องทุกข์ให้ด้วยเถิดหลวงปู่ก็แค่รับฟังเงียบเมื่อทราบจุดประสงค์ผู้เป็นพ่อของหญิงสาวที่ถูกผีสิงท่านก็หันไปบอกลูกศิษย์ที่นั่งอยู่กล้ใกล้ว่าแกช่วยเขาทีเอาบุญศิษย์ผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติธรรม กระทำความเพียรทางจิตอยู่กับหลวงปู่มาเป็นเวลานานพอสมควรนะคะจนเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่ก็ประนมมือรับคำพ่อหญิงสาวก็รีบนำมัศาการเรียนถามหลวงปู่ว่าจะให้นำตัวลูกสาวมาที่วัดนี้หรือไม่หลวงปู่ก็เลยตอบสั้นๆบอกไม่ต้อง จากนั้นค่ะหลวงปู่แล้วก็ลูกศิษย์ของท่านก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิสงบจิตพร้อมๆกันณนะที่ตรงนั้นโดยไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนหรือให้จัดเครื่องสักการะบัตรพีมาประกอบพิธีอย่างใดเลยแม้แต่ดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่มี แม้แต่สิ่งเดียวเลยนะคะพ่อของเด็กหญิงสาวผู้เคราะหร้ายเนี่ยก็แอบคิดลังเลสงสัยว่าเอ๊หลวงปู่ดูจะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรเพราะว่าไม่เห็นจะมีพิธีกรรมอันเข้มขลังอะไรดังนั้นอดังเช่นที่เคยเห็นเหมือนพวกหมอผีมีวิชาอาคมกระทำกันมาเวลาผ่านไปไม่ถึงอึดใจด้วยซ้ำค่ะหลวงปู่ดูก็พูดพูดขึ้นเพื่อบอกกับลูกศิษย์ท่านว่าเรียกผีมารับบุญซะ เรียกผีมารับบุญหลวงปู่ทวดรับบุญค่าให้อนุโมซาจะได้ไปดีเป็นผีก็ไปเอาเมียผีไม่ใช่เอาเมียคนรับบุญไปจะได้มียนางฟ้าเยอะแยะดูด้วยว่าเป็นผีรับแล้วหรือยังจิตของท่านก็นั่งลงสงบนิ่งอยู่ในสมาธิก็คงจะติดต่อกับหลวงปู่ดูโดยทางจิตแหละนะคะจากนั้นหลวงปู่ก็กล่าวขึ้นอีกว่ารับแล้วใช่ไหมไปเกิดซะเอาละหมดเรื่อง พ่อของหญิงสาวที่ถูกวิญญาณผีแต่หงเนี่ยเข้าสิงอยู่เป็นเวลานานถึงสปีแม้จะเคารบหลวงปู่ดู่เพียงใดนะคะก็ยังไม่วายลังเลสงสัยว่าเอะบารมีธรรมของหลวงปู่เนี่ยจะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรเพราะไม่เห็นว่าท่านจะประกอบพิธีที่ชวนให้เกิดความขลังอย่างใดเลยอีกทั้งลูกสาวก็อยู่ไกลถึงอเาเภอนครหลวงซึ่งท่านไม่รู้ว่าบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหน กิริยาอาการที่วิญญาณผีตายหงเข้าสิงลูกสาวนั้นเป็นอย่างไรและท่านก็ไม่รู้ซะด้วยซ้ําว่าเป็นลูกสาวคนไหนของตนที่ถูกผีสิงเมื่อเป็นเช่นนี้ผีตายหงมันจะหวาดกลัวหวั่นระยอหลวงปู่ดูถึงยอมพละหนีไปจากลูกสาวง่ายๆเลยหรือเมื่อหลวงปู่ดู่แล้วก็ลูกศิษย์ถอนจิตจากสมาธิผ่อนคลายอริยบทแล้วศิษย์ของท่านก็บอกกับชายคนนั้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปเกิดแล้วผีเป็นเหตุ ลุงกลับบ้านไปลองดูถ้าลูกสาวไม่เป็นอะไรแสดงว่าหายผู้เป็นพ่ อ, องหญิงสาวเคราะห์ร้ายก้มกราบหลวงปู่ดู่ด้วยความปิติตยินดีและน้ัสศการกราบลากลับบ้านไปนะคะเวลาผ่านไปเกือบเดือนค่ะชายคนเดิมก็เดินทางมาที่วัดสแกเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ดู่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแล้วรายงานให้หลวงปู่ทราบบอกว่าลูกสาวหายดีแล้วครับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีอาการผีสิงอีกเลยเพราะว่าหลวงปู่เมตตาไว้ คุณผู้ฟังคะบารมีธรรมของหลวงปู่ดูพรมปัญโยเรื่องวิญญาณผีตายหหงเข้าสิงหญิงสาวอยู่อำเภอนครหลวงที่นำมาเสนอไว้นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตตานุภาพเป็นอัศจรรย์ของผู้บำเพ็ญธรรมระดับสูงและบ่งชี้ให้รับรู้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือวิญญาณของผู้ที่ตายไปในลักษณะไม่ปกติ ตายเพราะว่ามีกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไขวันตายของตนก็ย่อมไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไม่ได้จึงต้องวนเวียนทุกทรมานอยู่ในมิติของวิญญาณที่คาดเกี่ยวกับโลกมนุษย์อีกทั้งยังมืดมัวด้วยกิเลส ต, ตัณหาหลงอยู่ในโมหะอวิชชาไม่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงว่าตนเองตายไปแล้วมีอัตภาพผิดแผกแตกต่างจากมนุษย์ไม่อาจจะสามารถสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับมนุษย์ได้ทุกกรณี เหตุนี้เมื่อมีกิเลสกรรมฟูขึ้นกับหญิงสาวที่ตนหมายปองจึงได้ตามรังควานสร้างทุกข์ให้กับผู้อื่นยาวนานถึง3ปีหากมิใช่บารมีธรรมของหลวงปู่ดู่ที่แผ่เมตตาให้วิญญาณผีไต่หงวิญญาณนี้คงจะไม่พ้นจากสภาวะที่จมอยู่ในห้วงกิเลสซึ่งรัดรึงเอาไว้ส่วนที่จะไปผุดไปเกิดในภพภูมิใดต่อไปก็คงเป็นไปตามยถากรรมของตน ขอขอบพระคุณมนพันลายจากหนังสือวิญญาณอาถรรพ์กับเรื่องราวนี้ที่ได้จดบันทึกไว้นะคะเป็นเรื่องของหลวงปู่พรมปัญโยที่ได้เมตตาใช้บารมีธรรมในการส่งวิญญาณร้ายผีตายโหงที่เข้ามาเกาะเกี่ยวหญิงสาวที่ตนเองรักเพื่อที่จะเอาไปเป็นเมียค่ะ